เราเท่านั้นการเฝ้าดูจิตไม่ใช่รูปแบบต่อไปครับไม่ว่าเราจะอยู่ในห้องเ น, นื้อปล่อยรถเมยเพราะไม่มีใครทําหน้าที่นี้แทนเราได้เลยจ้าง ก, ก็าด้วยเงินเป็นหมื่นเป็นล้านทําไม่ได้ครับบอกว่าจ้างเงินค น, เ ด, นเดือนละหมืน่นเดือนละล้านช่วยดูความคิดฉันทีทําไม่ได้อย่างนี้ก็ช่วยประคองเมื่อความคิดมันเกิดแล้วท่านนั้นเอง นั้นการภาวนานั้นเป็นวิทยาอุตสาหาะเฉพาะตัวจริงๆเนี่ยกุญแจสําหรับไขเรื่องนี้อยู่ที่บานประตูความคิดครับเมื่อล็อกประตูความคิดถูกไขความลุ่มลึกก็จะเกิดดังนั้นในพระคัมที่ยิงระบุเน้นว่าเมื่อยานกับวิญญาณทัดเทียมกันความลุ่มลึกจะปรากฏความลุ่มลึกคือประตูนั่นเองเดีนี้ความฉับไวในการเห็นความคิดเรายังไม่พอครับ เรายังเราย่งใช้ความคิดเพื่อคิดถึงความคิดอยู่่อยคำอาจจะฟังแปลกประหลาดเราใช้ความคิดคิดถึงความคิดเมื่อกี้ความคิดหนึ่งเกิดขึ้นผมมันั่งนึกอีกทีว่าเอ๊ะมันคิดคิดถึงอะไรนะอย่างนี้ใช้ความคิดคิดถึงความคิดครับดังนั้นมันจึงไม่ทันครับไม่ทันการเราต้องปลุกตัวที่ระบบหนึ่งที่อยู่นอกความคิดจริงๆครับเหมือนทว่งหญิ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 เป็นขั้นตอนที่มีปัญหามากๆนะครับรัปการสำคัญที่สุดลองวกย้อนไปสู่เรื่องราวเก่าๆประสบการณ์เก่าๆตางสำหรับตำรานะภาษาวกหลายพระองค์ไม่ได้ปฏิบัติทาเลยครับอ ง, องค์คริมานี่ไม่ได้ปฏิบัติเดยฆ่าคนตลอดเวลาหรือว่าการฆ่าชีวิตปลิดวิญ ญ, ญาณเป็นการภาวนานะครับเจอพระเจ้าทาไมเพ ง, งรู้เรื่องแบบนี้ได้พายะองค์หนึ่งที่เป็นที่มาของ การมณิวาสิทรีนะครับซึ่งจากเรื่องจริงนะถ้าทำํำบุญไม่ได้ปฏิบัติอะไรครับได้ยินประโยคสองประโยคเข้าถึงมันทันทีซึ่งสิ่งน่าแปลกน่าอัศาจารรย์ยิ่งในพุทธศาสนาเราอยากคิดว่ามันเปนสิงเป็นไปไม่ได้แต่เราควรจะคิดว่าช่างน่าอัศาจรรย์จริงเหมือนอาจารย์ลุงวราทีบอกนะธรรมะของพระเจ้าช่วยมนุษย์ได้จริงช่างน่าอัศาจรรย์คนไม่รู้หนังสือคนไม่เคยปฏิบัติเลยนะครับเข้าถึงได้เพราะการปฏิบัติรากฐานอยู่ในตัวเขา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 บัวที่บานแล้วครับบัวที่ปลิ่มน้ําและบัวที่อยู่ใต้น้ําซึ่งทุกชนิดจะบานพระเจ้าท่านมองมนุษ้นมันบานได้ทุกนั้นแต่สําหรับท่านเพื่อประหยัดเวลาและแรงงานท่านเลือกจะบัวเฉพาะที่ปลิ่นน้ำคนเหล่านั้นถ้าไม่ได้ยินเนี่เสียหายถ้าได้ยินจะบานในวันรุ่งเลยครับแล้นข้อที่ จ, จริงคือผู้เข้าถึงธรรมะมีโดยไม่รู้ตัวก็มีนะนี่เป็นคำจัดของพระเจ้าไม่ใช่ของผมนะนบอกว่าผู้ที่แต่เท้าเขาจะเกิดหรือไม่เกิดก็ตาม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 เขาจะเกิดมาก็ตามไม่เกิดมาก็ตามสิ่งนี้เป็นอยู่แล้วใช่ว่านาั่นนะครับดังนั้นผมว่ า, าทุกหลับชาวพุทธแท้จริงย่อมมีกำลังใจใหญ่หลวงเลยนะครับเพราะว่าก่อนหน้าที่พระเจ้าตจรจัสรู้นั้นสังคมอินเดียสังคมธงบุรีนั้นไร้วังในการสแสวงหาอย่างสเปะสปะไม่มีใครกล้าปฏิ ญ, ญาณตนว่าเป็นผู้รู้จริงๆมีคาถามอะไรอีกหอปครับ อ <c oughs> เรื่องอาจารย์ผมจะชาติเาอาเป็นสามอันนี้มันคึกวัย อ, อาจารย์ก็จับประเด็นนี้ที่ว่าใหความสําคัญกับปัญหาของชคลิปที่มีเวลาไปกับภายใต้ของการเคลื่อนไหวและการเคลื่อนไหวทางกายและการเคลื่อนไหวที่เิดของความคิดนั่นเอง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 รละลึกรู้สระลึกรู้ในทางสัมผัสปัจจุบันที่สัมผัสแบบนี้เขาเรียกว่าระลึกได้ครับระลึกได้แต่ยังไม่ระลึกรู้ระลึกรู้ได้แต่ยังไม่ใช่ปัญญาเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วนะครับโดยปกติเราคงจะกดคิดในดาเพราะคิดไปจนตายนะครับทั้งแต่เหจุจนผลปัญหาจึงมีอยู่ว่าผู้เจ้าสงสอนอย่างไรเมื่อห้าไม่ได้เชนนี้แล้วผู้เจ้าสงสารว่า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 สัมญะอย่างลงในสภาวะที่เป็นในกายก็เกิดเราพยาําอะไรอยู่นี่รู้สึกตัวมีความรู้สึกตัวในจิตว่ามีจิตการเคลื่อนวของกระบวนการยานวิญญาณจิตการได้ปล่าเป็นยาณวิญญาณนิสิตร้ อ, องรู้สึกแล้วรู้กระบวนการคิดแล้วก็มาหยุดตรง น, นี้แต่หยุดตรง น, นี้นี่แหละปัญหาสําคัญอยู่อะรู้สึกเราสู่ความจิดว่ามหายานเอาไปใช้ว่ไม่ต้องคิดอย่างเป็นขกาวอะไรเป็นพุทธะตอนนั้นผมมีมายังไม่ใช่พุทธะท่านภายิยะนั่นเองก็เหมือนกัน ต้องการแสวงหาพุทธเจ้าเห็นพุทธเจ้าพุทธเจ้าว่าเชอสักแต่ว่าเห็นเท่านั้นเองอนะรับช่างพิยะอธิบายไว้ว่าสักแต่ว่าเห็นนั่นคือจุดคิดจุดการรับรู้เกิดมาเวิ่ที่อันแรกจะมีกุศลอกุศลอยู่ในสิ่งที่เห็นองอ่าช่างพิยะก็ย้อนเข้ามาอยู่ที่สักแต่ว่าเห็นนะครับสักแต่ว่าเห็นเชอจุอธิบายไว้ครับอาจารย์ลำพังแต่กายและอุญ ญ, ญาตนตานั้นพิจักสูญอุญญาติพระอาจารยโตไม่ได้อย่างนั้น ก็คือส่ที่เราควรจะหยุดตรงนี้หยุดคิดล้วมีจิตว่างไม่จังไม่เป็นรูปฌะเพราะมันเป็นการรู้ทานริญยานรู้จายแิมยานท่เหนรู้ร้อนรู้หนาวไม่ต้องคิดมันรู้วันร้อนอยู่างเรื่องจังตรงนี้รับรู้ก่อนรู้ด้วยใจยแล้ด้วยริญญานรู้พราะยาิญยานรู้สัญญารูประเภทที่สองคำว่ารู้สัญญารู้ประมาคมีความลึกคิดต่างแต่อันที่สามริมยานรู้คือปัญญารู้ เมื่ออย่างยังอยู่ที่ว่าตายวิญญาณให้รับรู้ถ้าสมอย่างเราเนี่ยฮะให้รับรู้แต่เพียง ว, ว่าเพียงแต่เห็นเพียงแต่รับรู้เพียงแต่รู้สึกนี่คือกายวัญญาณเราก็สามารถจะกบติดกดติตของเราผมติดไปด้วยความรู้ทางกายวิญญาเพียงพอแล้วก็ใช้ได้แต่ในทางพุทศาสนา น, นั้นยังไม่พอครับเมื่หยุดแล้วกลับมาคิดอีกครับคิดตรงไหนฮะ ทำที่ว่ดูติดเป็นสติสัญหานคิดพิจารณาแต่ไม่ได้คิดแบบฟุ้งร้างไม่ไดคิดแบบฟุ้งร้างคิดพิจารณาในสิ่งที่กําลังปรากฏคือพิจารณาสังเกตในสิ่งที่ปรากฏนั้นว่าไม่ใช่ตนไม่ได้ตัวตนอย่างไรเมื่อพิจารณาก็นายออกเมื่อไงออกแล้วเฉยเลยครับแต่นี้ตรงนี้พุทธชาติอยู่ตรงนี้ครับเรื่องไม่คิดอีกแล้วครับที่เราไปตั้นหาเพาเราไปคิดในสิ่งที่ไม่จะกลงปรากฏในข่่งนี้ ไปคิเรื่องรล่าเพราะฉะนั้นนักปรัชญาชีวิตเนี่ยสามารถจะใช้ปรัชญาชีวิตทางการคิดแล้วหยุดได้แต่นั่นจัเป็นความคิดนอกพุทธศาสนาไม่ว่าจะใช้ปรัชญาอะไรต่างๆที่ขบวนการยานวิญญาติญาของยานอวิญญาแล้วหยุดคิดได้ยังไม่ได้ตรงต้าหมายทเรียกว่าเยรยธรรมคือขำหน้าิ่งที่เคิดพิจารณากับเรื่องที่ขำหน้าไม่ใช่คิดเรื่องสัจจะของจักรวาลของความลึกคิดที่ออกไปทางนอกจะหาประโยชน์ไม่ได้เด็เกถึงจะคิดกัน แต่ว่าเวลาผู้ศาสนานั้นคิพิจารณาที่ฐาน้าแล้วยุดคิดว่าฐานนาเปนชีวิตนี้ไม่เที่ยงเป็นอนัตตาและเป็นของเน่าเหม็หน่ายออกที่สุดของฐานนาที่สุดนั้นแหะคือความสูงซึ้นคือสูญยัตาเริ่มมาหยุดคิดตรงนี้ชาติจึงเกิดตรงนี้จนมหายาเนี่ยจนพุทธะตรงนั้นก็เพียงแต่ ว, ว่าสามารถรักษาจิตโดยการถือ ว, ว่าไม่ต้องคิดแล้วมันก็ว่างลงมันว่างลงเพียงนั้นยังไม่สําเร็จ สุดท้าย น, รรนั่ก็เป็นคมจริงเพราะฉะนั้นปัญญาชีวิตนี้มันก็มีสองขั้นตอนอย่างที่กล่าวนะฮะแต่ว่าใครจะเอาประโยชน์ตรงไหนก็อยู่ที่สติปัญญาแล้วก็สามารถกระทําได้ตามขบวนการต่างที่ปฏิบัติแนวปฏิบัติทางศาสนาก็ให้ประโยชน์ตามที่ผมคิดว่าให้ประโยชน์จริงในลักษณะผมไม่สบายนี่ผมก็คิดอาจารเห็นข้งางนอกเป็นกองทุกมาอีกแล้วจากจากบุกคคลมาเป็นไอ้ไม้อีกแล้วไอ้องแบบนี้ แต่แล้วก็มาย่างลงพอย่างลงนี้ก็ปล่อยเพราะปล่อยก็เป็นเช่นนั้นเองของยินมได้ไม่ต้องพูดอะไรของยิ้มในใจของผมที่นั่นน่ะคือความสงบของเราอยู่ตรงนั้นคือยอมเห็นว่าร่างกายเป็นของจังทุกขังลักษณะโซตอนอะไรสํารองนั้นก็ยุดคิดตรงนี้ส่วนยุดคิดตรงนั้นก็ได้ประโยชน์แล้วคับถ้าเรายังไม่ไดย่างลงตรงนี้ก็ได้ประโยชน์แต่ว่านักปัญญาชีวิตอย่างนี้เขายังต้องคิดและยัง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 การรู้จากพุทธศาสนาอีกแง่มุมหนึ่งส่วกการเห็นที่สมบูรณ์นั่นเอง ท, ที่จะนำไปสู่อริยมรรคหรือผลหรืออะไรสุดท้นะครับข้างประเด็นไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเข้าไปไลอยอันที่จริงเรามีความยุ่งยากกันมากครับโดยเรื่องของภาษาตัวหนังสือถ้อยคำต่ับ ดันั้นครูบาจารย์ข้างอดีผู้เปลื่อนปราดในเรื่องภาษาและธรรมะปฏิบัติจึงพยายามที่แสว่งคำนิยามเพื่อให้ค่อยคำนั้นกระชับไม่ซัดตายแต่แล้วความพยายามแล้วแล้วเล่าเ ล, ลนั้นได้กลับกลายเป็นเชื้อสาของความยุ่งยากขึ้นตามพวงของเวลาธรรมะ ยิ่งอธิบายมากเท่าไร่ยิ่งเสือกเท่านั้นนะครับยิ่งฟังมากเท่าไรยิ่งปฏิบัติยากขึ้นเท่านั้น น, นี่คือข้อเท็จจริงที่นักปริญญาตหรือผู้ที่ใส่ใจในทางธรรมนพยายามแล้วลม้มล้มเหลวแล้วแล้วเล่าๆครับเพราะความพยายามที่จะคิดอะไรให้มันแตกหักกับกลายเหมือ น, นเอาน้ำมันเข้าราดกองไฟซึ่งมันจะลุก โฉดชุ่มขึ้นแล้วก็ไม่รู้จบไม่รู้สิ้นครับเรามาวิเคราะห์สองสิ่งนะครับสิ่งเป็นสิ่งดาดดา ด, าดาง่ายๆแต่ยากที่จะสัมผัสสองสิ่งซึ่งเป็นสเสมือนการกลางของศาสตร์แทบทุกขนะตั้งแต่วิชาภิสิกจิตวิทยา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 ซึ่งวิ่งด้วยแรงเฉื่อยจองกระทั่งมันหยุดด้วยตัวมันเองไม่มีแรงประท่าที่อื่นการหยุดจึงจะเรื่องสมบูรณ์ต้องเป็นเองครับแต่ทุกขนะทุกณะจิตเราคิดเหมือนมีรถดวนขบวนยาวเยียดดังนั้นความคิดภาษาก็บดบังสภาวะดั้งเดิมหมดสิ้นครับเรานึกถึงจิตเด็กๆข้างเราไม่ได้เลย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 ถูกพี่แต่ว่างเคโก้ว่าว่างร้องไห้น้ำตายังไม่ทันหมาดๆอกเสื้อเดี๋ยอะหัวละน่ะเราขล่องอารมณ์น้อยและติดยึดน้อยมากครับเพราะเราพูดไม่เป็นภาษาเรามีใช้น้อยและจากัดมากในหมู่คนบ้ายทั้งหลายเราลองไปคุยดูนะเขามีภาษาความรู้สึกที่แรงกล้ามากเขาก็พูดไม่ได้เขายกมือทันรักคุณเนะวเราไปเรามีอารมณ์เขาจะสัมผัสแรงแธรรมชาติชดเชยให้ ผมไม่ได้บอกว่าให้เราทำบ่ายมีพระภิกษสุสงฆ์ในสมัยพุทธกาลเข้าใจติดต่อคําสอนของพระเจ้าพระเจ้าจรัสว่าเธอยังคิดอยู่ชื่อว่ายังซามอยู่เขาก็พยายามหยุดความคิดหยุดคําพูดสมาทานไม่พูดกันเต็มบรรษาเลยเนี่ยพระเจ้าไปถามว่าเธอปฏิบัติอะไรกันเขาบอกว่าสมาทานไม่พูดท่านประนามนะนะนาโ ม, มเธอไปเอาวัดปฏิบัติพวกเดียร์ีมาปฏิบัติทํำไง พุทธศาสนาเรามีองค์อริมรรตสัมมาวาจาคือพูดด้วยสติพูดด้วยความรู้ตัวพูดคําสัตย์คําซื่อการพูดคําสัตย์คําซื่อพูดด้วยสติเป็นการภาวนาครับแต่แล้ววันๆหนึ่งๆเราสูญสิ้นไปกับคําพูดซึ่งผมอยากพัคําอะไรสักท่าครับกายของเราสูญเสียไปกับการทําอะไรแผลงๆมางมายกัไปจับระเบอมลำฟ้อนไปเต้นไปสารพัดครับกายวาจาของเราเหมือนกัน จิตของเราตลิดเปิดเปิงไปตามที่เราอยากได้มันคิดนึกอะไรอย่าเราไม่สํารวมทวารทั้งสนี้เข้ามาสํารวมคือการตัดกระแสครับไม่ว่าเราจะใช้เทคนิคกลลุวิธีใดก็ตามที่ทําให้วิตกวิจารณ์ระงับลงไม่ว่าโดยการเข้าฌานไม่ว่าโดยการเจริญอย่างไงก็ได้ครับเทคนิคนั้นก็คือเมื่อมีการสํารวมแล้วมันจะมาประพิมพ์ประพายต่อ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 ถ้าคุณเรียกมันว่ามะพร้าวสแสดงคุณยุติในสมมติเหมือนกับเราเรียกว่าชั้นเป็นตัวตัวชั้นถ้าเรียกให้ถูกใกล้เฉพาะว่าจริงเรื่องนี่ไม่ใช่ผมครั้งหนึ่งมีคนถามผมแต่เขาก็จะปิดเมื่อผมตอบเขาเจอผมยีหยวนเขาเขาถามว่าทําไมท่านบวชตั้งนานจึงศึผมบอกไม่รู้ผมไม่เคยบวชเรื่องนั้นไปถามคุณโกวิทย์เขา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 นี่คือลัทธิที่เรียกว่าปฏิตะพิธิหรือสังเกตเรียกอีธานาหรือยับเพราะว่าเราไม่ต้องปฏิบัติอะไรเราหมุนวนอยู่อย่างนี้แหละตายแล้วก็เกิดอีกเกิดที่เกิดกกตายอีกกันซึ่งพระเจ้าถือว่านี่ไม่ไม่ไม่ใช่ภาวะที่จำยอมดังนั้นนึกบอก ว, ว่ามันเป็นหน้าที่ของหม่อมฉันที่จะจัดการกับคำสาปแช่งอันนี้ให้ได้จงได้คำสาปแช่งไม่ได้เกิดในธรรมชาติครับมนุษย์ตั้งทฤษดีกันเอง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 สัจจะไม่ใช่สิ่งที่เราสร้างด้วยคําพูดหรือภาษาได้ครับแล้วก็ถ้าคืนทำกลายเป็นทุกข์โทษใหญ่เลยนะสิ่งที่สําคัญก็คือการรื้อถอนเพิกถอนคลองความคิดและคําพูดเมื่อผมใช้คําพิษคาพูดอันเดียวกันนะพอถ้าไม่มีคําพูดความคิดก็ไม่มีเราดูในจิตใจมันจะเงียบไม่ใช่มันจะเงียบเฉพาะผู้ภาวนาแล้วนะ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 คลุมคุมไปทั้งหน้าผานั้นเรื่อการเห็นแบบคนอยากจะให้ภาษาฝลังพานโนรามาแบบเต็มเหยียดเลยแต่มันไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ได้เห็นต้นไม้ครับแต่เห็นกว้างๆและการเห็นกว้างๆนี่สําคัญมากเพราะเมื่อต้นไม้ต้นหนึ่งต้นใดโค้นมันจะเห็นทันทีครับแต่ถ้าการจ้องดูตัวหนึ่งต้นไม้ต้นหนึ่งต้นใดยอยู่อีกหต้นข้อเนี่ยถอนไม่ทันครับจิตของมนุษย์เราเพ่งติดอารมณ์อยู่ตลอดเวลา